240รายละเอียดยิ่งขึ้นของวิปลาสสในจิตเป็นไฉหนึ่งสัญญาวิปลาสนั้นเป็นการกําหนดหมายของตนผิดเพี้ยนไปจากสัจจะหรือความหมายรู้ของตนผิดไปจากความเป็นจริงวิปลาสสูตรพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ49 เช่นในการกําหนดหมายของเราว่าจะพูดว่าไปแต่กลับพูดออกมาว่ามาจิตกําหนดอย่างหนึ่งว่าจะพูดออกไปอีกอย่างหนึ่งผิดไปจากจิตกําหนดไว้หรือกําหนดหมายว่าจะหยิบดินสอแต่พลาไปหยิบเอากระดาษหรือใจหมายว่าจะทําอย่างนี้ แต่พลาดไปทำอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตามที่เรากำหนดไว้ในใจเป็นต้นจิตกำหนดอย่างหนึ่งการกระทำภายนอกทางกายก็ดีทางวาจา ก, ก็ดีทำไปอีกอย่างหนึ่งผิดไปจากจิตกำหนดไว้อย่างนี้เอง ที่เป็นสัญญาวิปลาสขั้นสามัญของคนธรรมดาทั่วไปส่วนในขั้นวิสามัญการใช้สัญญากำหนดรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานหรือกำหนดรู้ในรูปในนามในความเป็นกายตามประมาทจนถึงที่สุดมีสัญญากำหนดรู้ภาวะที่ถูกรู้ รู ป, ปะสัญญามีสัญญากำหนดรู้ในความเป็นอัตตาต่างๆนานัตตะสัญญาได้จริงกระทั่งรู้จากรู้แจ้งรู้จริงล่วงพ้นรูปฌานสี่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์สูงสุดหมดความยึดมั่นถือมั่นเกลี้ยงสิ้นถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธ 2. จิตวิปลาดนั้นคือคนผู้ยังโมหะความหลงผิดไปตามโลกตามสังคมปุถุชนอยู่จิตใจของคนผู้นั้นยังไม่มีความรู้ตามสมมติสัจจะถูกต้องเพียงพอยังหลงผิดไปจากสมมุติสัจจะเช่นคนหลงผิดไปจากโลกจากสังคม คนในโลกหรือในสังคมเขาเชื่อกันว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้จริงอย่างนี้ถูกต้องแต่คนจิตวิปลาสจะเชื่อไปอีกอย่างหนึ่งต่างไปจากสังคมเขานับถือกันไม่เห็นไปตามโลกตามสังคมเขาสมมติไม่ตรงกับสังคมเขาซึ่งโลกหรือสังคมยึดถือว่าเป็นสัต์จะ สมมุติสัจจกันเป็นความรู้ความจริงของโลกียภูมิแค่นี้ก็ยังกำหนดผิดไปนี้คือจิตวิปลาสของคนในสังคม 3. ทิฏฐิวิปลาสนั้นคือคนผู้ยังอวิชชาความไม่รู้อาริยสัจจะอยู่ เพราะความรู้ความเห็นความเข้าใจทฤษฎีลัทธิปัญญาที่แท้จริงของคนผู้นั้นยึดถือผิดไปจากสัตว์จากขั้นประมาทผิดไปจากความจริงขั้นโรกุตละผิดไปจากอารยาสตร์จากของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ ไม่เชื่อตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความรู้ความเห็นความเข้าใจทฤษฎีลัทธิปัญญาที่แท้จริงแตกต่างไปจากทางนิพพานที่แท้เช่นมีความรู้ความเห็นความเข้าใจทฤษฎีลัทธิปัญญาที่แท้จริงว่า พระเจ้าหรือเทพเทวดามีภาวะเที่ยงแท้อยู่นิรันดรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงขั้นพระเจ้าไม่ได้จริงนิพพานไม่มีจริงหรือเข้าใจในความเป็นนิพพานผิดไปมีความรู้ความเห็นความเข้าใจทฤษฎีลทัทธิปัญญาไปคนละทางกับความเป็นนิพพานหรืออนัตตาธรรม โลกุตระเป็นไปไม่ได้โลกุตระรมไม่มีจริงปรมาถ ธ, ธรรมไม่เป็นจริงซึ่งทั้งสามข้อนี้เป็นการวิปลาสในจิตโดยตรงจึงต้องศึกษาสัญญาและทิฏฐิกันให้สาคัญหากผู้ใดศึกษาไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงถึงความเป็นสัญญากับความเป็นทิฏฐิ อย่างบริบูรณ์สัมบูรณ์ก็คือผู้นั้นยังไม่พ้นอวิชาสังโยชน์และยังไม่พ้นอวิชาอนุสัยนั่นเอง